ฉันก็ไม่รู้ว่านานเท่าไรและก็ไม่รู้มาไกลแค่ไหนบนทางที่เราสองคนเดินผ่านไปรู้แค่ว่าฉันนั้นไม่เคยบอกรู้แค่ว่าฉันนั้นไม่เคยลอกความรู้สึกนั้นถ้าจะบอกไม่รู้ต้องพูดตอนไหน ต้องคบกันไปกี่ปีต้องมีเรื่องราวดีดีมากมายเท่ไรถึงที่ควรพูดมันออกไปคำสั้นๆคำเดียวนี้ไม่รู้ว่าเธอนั้นรออยู่ไหมหรือจะปล่อยไปให้เป็นอย่างนี้แต่คิดดูอีกทีเก็บไว้ก็ไม่ดีอาจจะ พูดไม่ค่อยถูกพูดไม่ค่อยออกแต่จะบอกให้เธอได้ฟังเบื้องลังทุกๆกอย่างที่เก็บอยู่ในวัวใจสิ่งที่ฉันนั้นรู้สึกลึกถึงข้างในรวมได้เป็นความหมายคำเดียวเท่านั้นวันนี้ฉันพร้อมให้เธอฟัง ร, ออรู้แค่ว่าฉันนั้นไม่เคยบอกรู้แค่ว่าฉันนั้นไม่เคยลองความรู้สึกนั้นเธอจะบอกไม่รู้ต้องพูดตอนไหนไม่รู้ว่าต้องโคบกันไปกี่ปีต้องมีเรื่องราวดีดีมาก ถึงจะควรพูดมันออกไปคำสั้นๆคำเดียวนี้ไม่รู้เธอนั้นรออยู่ไหมหรือจะปล่อยไปให้เป็นอย่างนี้แต่คิดดูอีกทีเก็บไว้ก็ไม่ดีอาจจะพูดไม่ค่อยถูกพูดไม่ค่อยออกแาจจะบอกให้เธอได้ ฟังเบืนอหลังทุกทุกอย่างที่เก็บอยู่ในหัวใจสิ่งที่ฉันไม่รู้สึกลืมถึงข้างในรวมได้เป็นความหมายคำเดียวเท่านั้นวันนี้ฉันพร้อมให้เธอฟังคำว่ารักเธอ กกต้องมีเรื่องราวดีๆมาๆกมายเท่าไรถึงจะควรพูดมันออกไปคำสั้นๆคำดี ๆ, ๆ, ๆ, ๆไม่รู้ว่าเธอนั้นรออยู่ไหมหรือจะปล่อยไปให้เป็นอย่างนี้อาจจะพูดไม่ค่อยถูกพูดไม่ค่อยออก อให้เธอได้ฟังเบี่ยงลังทุกทุกอย่างที่เก็บอยู่ในหัวใจสิ่งที่ฉันเป้นรู้สึกลืมถึงข้างในรวมได้แปลงความหมายคำเดียวเท่านั้นวันนี้ฉันคร้อมให้เธอ คำว่ารักเธอ